ก็ได้มีการสาบานยืนยันถึงความสัจดิของท่านรอซูลและสิ่งที่ท่านได้นํามาจากอัลลอฮ์อีกทั้งได้ตอบโต้การกล่าวเท็จของพวกมุชลิมที่อ้งว่าอัลกุรอานนั้นเป็นเลขกลและคําพยากรหลังจากนั้นได้กล่าวถึงหลักฐานอันแน่นอนในความเป็นสศธรรมของอัลกุรอานและการรักษาอา ม, มานะของทา่านรอซูลซลลลอวะไลวะสลัมในการเผยแพร่บรรัญญัติศาสนาตามที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่าน บทได้จบลงด้วยการสันเสริญให้เกียรติอัลกุรอานและชี้แจงว่าเป็นความเมตตาแก่บรรดามุสลิมผู้ศรัทธาและเป็นความเศร้าโศกแก่พวกกุฟฟาต ผ, ผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือวันกิยามะ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 พวกสมุดและพวกอารได้ปฏิเสธวันกิ亚马 uh ส่วนพวกสมุดได้ถูกทำลายด้วยเสียงกัะบนหน้าที่น่ากลัวอออานหกูีี ส่วนพวกอาดถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บและเสียงดังก้องรอรรพระองค์ทรงให้ภัยนี้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเจ็ดคืนกับแปวันต่อเนื่องกันแล้วเจ้าเห็นกลุ่มชนนั้นนอนตายอยู่เช่นนั้น ประหนึ่งต้อนอินทพันลที่คั่งในกลวงล้มระเนระนาดแล้วเจ้าเสียนอะไรหลงเหลือบ้างสำหรับพวกเขาฟื้นเอาและพวกก่อนหน้าเขาและพวกมุตัฟิกาตได้กระทำความผิด แต่รูลิดพวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อศาสนาทูตของข้าพูทธิบาลของพวกเขาดังนั้นพระองค์จ <people> <tr> ึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างนัะอินนัลม์มะทัลมะอูห์มะนาคุมฟิลจารีย์เมื่อน้ําท่วมสูงขึ้น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 และมลักก็จะปรากฏอยู่บนเวหาและมาลัยกาจจำนวนแปดท่านจะทูลบัลลังก์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในวันนั้ น, ว, น, นวันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่เจ้า ه ه ا أ ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาจะถูกนำมายื่นให้ทางเมื้องขวาของเขาเขาจะกล่าวว่ามาอ่านบันทึกของฉันสิอิลลิััตอัมลาินฮิซับีย ความจริงฉันคิดว่าฉันจะได้พบบัญชีของฉันแล้วเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสมราีจนนิาศ์ในสวนสวรรค์อันสูงสง่งการเด็ดผลไ ม, ม้ของมันอยู่แค่มือเอื้อมทุกคนจะดื่มมันในวันที่สุขสันต์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 อำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้วคุดูฮุฒกลูจะมีคําบัญชาแก่มารักก้าว่าจงนําเข้าไปแล้วล่ามตรวนเสียทุมมัลจหีม ص ลูฮและโยนเขาเข้าๆกอมไฟนรกทุมมัฒีสินสิละดรรวหาสบ ع ูนดิราณทสลุก แล้วล่ามโซเขาซึ Then, ่งความยาวของมันเจ็ดสิบสองแพ้จริงเขาไม่ได้ศรัทธาต่อลอร์ู้ยิ่งใหญ่และเขาไม่ได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสนดังนั้นวันนี้ เขาจะไม่มีเพื่อนสนิทน้าทีนี้และไม่มีอาหารอย่างใดนอกจากน้ำหนองที่ไหลมาจากแผลของชาวนาโลกไม่มีผู้กินมันนอกจากบรรดาผู้กระทำความผิดเปล่าเลย ข้าขอสบาลต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็นวะมาลาธุบสรูนและสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็นอินน่าหูาละกาูลร س ูลครีมแท้จริงอัลุกราณนั้นคือคำกล่าวของาศาสนทูตผู้สงเกียนวะมาหวดีกาวลช اع รินกลีลัมมาตุอมิน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 ลาเขามโมหมัดเสกสรรกล่าวคำเพ็้บางคำแก่เราเราก็จะจับเขาได้ความมั่นคงแล้วเราก็ตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเข า, ามาามินมมนนนุอัหห ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได้ว่าอินลรุุมและแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรง م م และแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่ามีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้า แ ال ท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นการเศร้าโศกเ ส, สยียใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ق ق และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์ด้วยพระนามแห่งครับผู้วิบาลของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่